เจ้านาครก็คือจิตหรือวิญญาณ น, นี้เองจิตหรือวิญญาณก็รับอารมณ์ที่เข้าไปทางทวารทั้งหกนี้แต่ว่าสำหรับ จิตหรือวิ ญ, ญญาณสามัญ น, นั้นยังมีอาสวัติเลสเพราะฉะนั้นเมื่ออารมณ์ทั้งหกผ่านทวารทั้งหกเข้าสู่จิตใจหรือวิญญาณ จึงเกิดตันหาคือความดิ้นรนความทยานอยากหรือความอยากในอารมณ์ที่เข้าไปนั้นเมื่อ อารมณ์คือรูปเข้าไปก็เกิดตัณหาในรูปเมื่ออารมณ์คือเสียงเข้าไปก็เกิดตัณหาในเสียงอารมณ์คือกลิ่นคือรสคือผลตภะคือธรรมะเรื่องราวเข้าไปก็เกิดตัณหา ในกลิ่นในรถในโพิตภและในธรรมะคือเรื่องราวนั้นนั้นตัณหาจึงบังเกิดขึ้นดังนี้และตัณหาที่บังเกิดขึ้นในอารมณ์ทั้งหกดังที่กล่าวมานั่น เมื่อเป็นอารมณ์ที่รักใคร่ปรารถนาพอใจก็เกิดเป็นกามตัณหาและก็ย่อมเกิดภาะวะตัณหา ต, ต้องการที่จะเป็นเจ้าเข้าเจ้าของต้องการที่จะเป็นเจ้าเข้าเจ้าของรักใครปรารถนาพอใจนั้นคือต้องการเป็นนั่นเป็นนี่ในอันที่จะครอบครองกาม คือสิ่งที่น่ารักใคร่ปรารถนาพอใจทั้งหลายแต่ถ้าหากว่าอารมณ์เหล่านั้นไม่เป็นที่น่ารักใคร่ปรารถนาพอใจก็เกิดวิภวตัญหาความอยากที่จะให้อารมณ์เหล่านั้นสิ้นไปหมดไป ไม่ต้องการที่จะเป็นนั่นเป็นนี่ซึ่งจะต้องมีอารมณ์ที่ไม่น่ารักใคร่ปรารถนาพอใจนั้นๆเมื่อรวมความเข้ามาแล้วก็เป็นความอยากที่จะดึงเข้ามาที่จะนำเข้ามา เป็นตัวเราเป็นของเรานั้นอย่างหนึ่งเป็นความอยากที่จะผลักออกไปให้พ้นในสิ่งที่ไม่น่ารักใครปรารถนาพอใจที่เกลียดชังไม่ต้องการนั่นอีกอย่างหนึ่ง จิตใจของสามัญตญิจึงมีอาการที่เรียกว่าเป็นความอยากในอารมณ์ดังกล่าวมานี้ที่จะดึงเข้ามาที่จะเป็นดวเราของเรา และที่จะผลักออกไปที่จะทำลายให้หมดสิ้นไปอาการของความอยากดังกล่าวนี้จึงมีลักษณะที่ดินดน้นรนกระสับกระส่ายกระวนกระวายจิตใจ เคลื่อนไหวขยับขยื่อนไปในอารมณ์ทั้งหลายโดยอาการต่างๆดังกล่าวนั่นอยู่เสมอและเมื่อเป็นความอยากอย่างแรง ที่มีอาการดังกล่าวที่จะดึงเข้ามาที่จะได้มาที่จะครอบครองเป็นตัวเราเป็นของเราที่มีอาการดังกล่าวมานี้เมื่อแรงก็เรียกว่าเป็นความทยานอยาก ควดิ้นรนก็มีมากความทุรนทุรายกระสับกระส่ายก็มีมากแต่เมื่อไม่แรงก็มีน้อยคือดิ้นรนน้อยกระสับกระส่ายน้อยกระวนกระวายน้อยแต่รวมความว่าจิตใจนั้นก็ย่อมไม่อยู่สงบไม่อยู่กับที่ แต่ ว, ว่าเคลื่อนไหวระสบกร์สไซดดิ้นรนไปด้วยอาการดังกล่าวนั้นในอารมณ์ข้างลายอยู่เรื่อยไปและ ความรื่นรนกระสับประสายดังกล่าวมานี่ก็ไม่มีหยุดเช่นว่าเมื่อได้สิ่งที่รักใคร่ปรารถนาพอใจได้เป็นเจ้าเข้าเจ้าของในครอบครอง สิ่งนี้ก็ไม่หยุดอยู่เพียงเท่านั้นสิ่งนี้ที่ได้นั้นรังได้มาแล้วความอยากในสิ่งนั้นก็สงบเพราะว่าได้แล้วก็ไม่สงบเพียงเท่านั้น ยังอยากได้ในสิ่งอื่นเป็นสิ่งที่สองเป็นสิ่งที่สามเป็นสิ่งที่สี่เป็นสิ่งที่ห้าต่อต่อไปอีกต้องการที่จะได้ต้องการเก็บที่จะเป็นเราของเราต้องการที่จะให้สิ่งที่ไม่ชอบหมดไป อยู่เรื่อยไปเพราะฉะนั้นเมื่อพิจรารณาดูกระแสะของจิตอย่างละเอียดของตอนแล้วก็จะเห็นว่าอันกามก็ดีอันตัวเราของเราก็ดีย่อม บังเกิดขึ้นและดับไปอยู่ในอารมณ์ต่างๆติดต่อกันตลอดไปกามตัวเราของเราบังเกิดขึ้นในสิ่งที่หนึ่งแล้วก็ดับไปกามตัวเราของเราก็บังเกิดขึ้นในสิ่งที่สองแล้วก็ดับไป มันเกิดขึ้นในสิ่งที่สามแล้วก็ดับไปราะฉนั้นจิงตัดแสดงว่าเป็นไปเพื่อพบใหม่พบก็คือความเป็นความเป็นเราของเราเรื่อเป็นตัวเรานี่แหละใหม่อยู่เสมอคือ ตัวเราของเราบังเกิดขึ้นใหม่ในสิ่งนั้นๆหยุดตลอดเวลาไม่มีหยุดตัวเราของเราบังเกิดขึ้นในในสิ่งนี้สงบแล้วก็บังเกิดขึ้นในสิ่งนั้น มันเกิดสงบแล้วมันเกิดขึ้นในสิ่งโน้นก็เป็นไปอยู่ดังนี้ทั้งมีความติดใจมีความเพลิดเพลินทั้งมีความอภินันบันเทิงยินดียิ่งยิ่งขึ้นไปในอารมณ์นั้นๆอยู่เรื่อยไป อาการดังนี้เป็นอาการเีรเรียกว่าตันหามีอยู่ในจิตใจของสามัญชนทั่วไปและตันหานี้ก็บังเกิดขึ้นเพราะเวทนาดับเวทนาก็ดับตันหาได้แต่ว่าจะดับได้ก็เพราะปฏิบัติในมัคคีองแป8มีสัมมาทิฏฐิเป็นต้น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 ทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมได้แสดงพระเถราธิบายของพระสารีบุตรในเรื่องสมาธิทิความเห็นชอบ ถึงตอนที่ความเห็นชอบก็คือความรู้จักตัณหารู้จักเหตุเกิดตัณหารู้จักความดับตัณหารู้จักทางปฏิบัติให้ถึงความดับตัณหา และกาลังอธิบายถึงตัณหาที่มีประเทราอธิบายยกเอาตัณหาหกตัณหาในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในผลทัพสิ่งที่กายถูกดอง และในคือเรื่องเราและก็ได้อธิบายถึงตัณหาสามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสอธิบายไว้ตั้งแต่ในปฐมเทศนาคือการมาตัณหาภาว ะ, วะตัณหาวิภวะตัณหา และแสดงลักษณะของตันหาอันกล่าวถึงผลของตันหาและ สิ่งที่ไปด้วยกันกับตันหา <c oughs> กับความความเจริญของตันหาผลของตันหานั่นก็คือเป็นไปเพื่อ พบใหม่สิ่งที่ไปด้วยกันกับตันหานั่นก็ได้แก่นั่นที่ความเพลินราคาความติดใจยินดีเจริญของตันหานั่น ก็คือความที่มีความอภินนันยินดียิ่งยิ่งขึ้นไปในอารมณ์นั่นนั่นัญหาย่อมให้ผลเป็นไปเพื่อพบใหม่ทั้งในปัจจุบันทั้งในภายหน้า และก็มีนันทีความเพลินมีราคาราคะความปิตใจยินดีไปด้วยกันเหมือนอย่างเป็นสหายกันกลับมีความเจริญงอกงามยิ่งยิ่งขึ้นด้วยความยินดีเพลิดเพลินไปในอารมณ์นั้นๆ การมาตัญหาภาวะตัญหาวิภาวะตันห า, า, า, นหาย่อมมีลักษณะดังกล่าวมานี้และก็พึงทราบต่อไปอีกว่ากันตัญหานั้น เป็นข้อที่คู่กับโลกและย่อมมีอยู่ในสัตวโลกทั้งหมดเพราะฉะนั้น จึงต้องเวียนว่ายได้เกิดอยู่ในโลกต้องเป็นไปอยู่ในโลกโลกจึงมีตันหาและจัตตวรรโลกจึงมีตันหา สิ่งตันหาเสียมใดก็เป็นโล ก, กุตระพ้นโลกเหนือโลกสัตวโลกก็ยุติความเป็นสัตวโลกมาเป็นโล ก, กุตระเหนือโลกเพราะฉะนั้น โลกกับตันหาจริงเป็นสิ่งที่ต้องประกอบกันอยู่อันลักษณะที่แท้จริงของตัญหานั้น ก็คือความที่กระเสือกกระสนไม่หยุดอยู่กับที่เคลื่อนที่ ฉันั้งได้มีแสดงถึงลักษณะดังกล่าวของทางร่างกายก็มีของทางจิตใจก็มี ของทางร่างกายนั้นก็มีแสดงถึงสัตว์สองจาพวกคือสัตว์ที่เรียกวัาตาสาเคลื่อนที่ได้จําพวกหนึ่งสัตว์ที่เรียกวัาถาวรา อยู่กับที่คือถาวรเคลื่อนที่ไม่ได้อีกจําพวกหนึ่งตัดที่เรียกว่าตาสาจําพวกเคลื่อนที่ได้นั่นก็เช่นมนุษย์ประจัดได้ฉานทั้งหลายทั้งบนบกเลยในน้ำ เคลื่อนที่ได้เชณนมนุษย์และสัตว์หมกทั้งหลายก็เคลื่อนที่ได้ mm. เดินวิ่งไปโน่นไปนี่ได้ ส่วนสัตว์จำพวกที่เคลื่อนที่ไม่ได้อันเทววัตเรียกว่าถาวราหรือถาวบอลอยู่กับที่นั้นก็เช่นสัตว์น้ําบางชนิดที่เกิดติดอยู่กับที่เช่นหอยบางชนิดเช่นหอยนางรม เกิดติดอยู่กับที่เช่นติดอยู่กับก้อนหินในทะเลในน้ำเคลื่อนที่ไปไหนไม่ได้นี่เรียกว่าถ้าวระหรือถ้าวราได้มีแสดงไว้ในเมตสูตร สาวาาวาวาสัตว์ที่เคลื่อนที่ได้และสัตว์ที่เคลื่อนที่ไม่ได้ที่ให้แผ่เมตตาจิตออกไปในสัตว์ทั้งหมดเหล่านี้ สัตย์จำพวกทเรียกวัตาสาเคลื่อนทีได้นั่นค<ำ>ัเรียกว่าคำตันหาแต่นั่นหมายถึงทางร่างกายส่วนทางจิตใจนั้นจิตใจของบุตุชน สามั ญ, ญชนก็เป็นจิตใจที่เรียกว่าตรัสคือเคลื่อนที่เพราะมีตันขาที่ทำให้เคลื่อนที่ ที่มีอาการอันเรียกกันว่าดิ่นรนกวัดแวงกระสับกระสายแ ต, าแต่ว่าคำเหล่านี้แสดงอาการที่เคลื่อนที่อย่างรุนแรง แม้ว่าจะเคลื่อนที่ยังไม่รุนแรงก็เป็นตันหาเหมือนกันคือมีอาการที่เคลื่อนออกไป รับอารมณ์จับอารมณ์นั้นๆโดยเฉพาะก็คือออกไปรับอารมณ์จับอารมณ์หกมีรูปอารมณ์อารมณ์คือรูปเป็นต้นที่มาประสบทางตาเป็นต้น แต่ว่าก็จำเป็นที่จะต้องใช้สับใดสับหนึ่งเพื่อให้เป็นที่เข้าใจในลักษณะของตัญหาดังที่กล่าวมานี่ยังแปลกันว่าความอยากและ เมื่อมุ่งถึงลักษณะที่แรงก็เรียกว่าทยานอยากหรือแปลว่าดินน้นรนกัดแกงกระสับกระส่ายแต่อันที่จริงนั่นแปลว่าความอยากเท่านด้นก็เพียงพอ คือเป็นความประสงค์ความต้องการยื่นออกไปจับหรือรับอารมณ์ดังกล่าวและอารมณ์ที่ออกไปรับไปจับนั้น เมื่อกล่าวเป็นกลางๆ ก, ก็คืออารมณ์พบรูปเจยงเป็นรสผลพระธรรมะคือเรื่องราวดังที่กล่าวมานั้นและเพื่อให้ชัดขึ้นว่าอารมณ์ที่ตัณหาประสงค์ต้องการ ที่อยากคือคือก็คืออารมณ์ที่เป็นกรรมที่แปลวันนารักใคร่หรือเป็นที่รักใคร่เรจาจะนั้นเพื่อให้ชัดจึงได้เรียกว่ากรารมตัณหา ปัญหาในกามคืออารมณ์ที่เป็นที่รักใคร่ที่น่ารักใคร่